ที่พึ่งอันสูงสุดโดยธรรมดาพ่อแม่ครูอาจารย์ญาติพี่น้องและเพื่อนย่อมเป็นที่พึ่งแก่เราได้ทั้งสิน้นพระมหากษัตริย์ก็เป็นที่พึ่งแก่เราได้และเป็นที่พึ่งได้อย่างมากมายที่สุดอีกด้วยแต่ถึงกระนั้นคนส่วนมากถ้าไม่คิดก็ไม่ค่อยจะรู้สึกว่าพระมหากษัตริย์มีคุณแก่คนทั้งชาติอย่างมากมายเพียงไรที่ไม่รู้สึกก็เพราะเห็นว่าพระองค์ ไม่ได้หยิบยื่นอะไรให้แก่เราโดยตรงถ้ายิ่งไม่รู้จักหรืออยู่ห่างไกลจากพระองค์แล้วก็ยิ่งไม่รู้สึกว่าบารมีของพระองค์นั้นคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาส่วนพ่อแม่ครูอาจารย์ญาติพี่น้องหรือเพื่อนเราเห็นได้ชัดว่าเราได้พึ่งคนเหล่านี้อย่างไรโดยเฉพาะพ่อแม่ทุกคนย่อมรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งแกลูกได้อย่างดีที่สุดถ้ายิ่งพ่อแม่เป็นคนมีฐานะดี มีอำนาจเป็นคนฉลาดเป็นคนมีชื่อเสียงลูกก็จะได้รับความอุปการะ จ, จากพ่อแม่อย่างดีที่สุดเกือบจะพูดได้ว่าไม่มีความลำบากอะไรเพราะความทุกข์ยากต่างๆอุปสรรคต่างๆพ่อแม่จะช่วยขจัดปัดเป่าให้เกือบจะได้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นลูกทุกคนจึงรู้สึกว่าพ่อแม่มีพระคุณอย่างสูงส่วนครูและอาจารย์ มีพระคุณในฐานะที่ช่วยแนะนาสั่งสอนให้เรามีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงานต่างๆช่วยให้เราตั้งตัวได้และยังเป็นที่พึ่งอย่างอื่นๆอีกหลายอย่างในบุคคลเหล่านี้แม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งแก่เราได้สักเพียงไรก็ตามแต่ทุกคนก็จะรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แกเราได้ทุกอย่างนอกจากช่วยบรรเทาหรือแก้ไขให้เป็นครั้งคราวเท่านั้น ขอให้พิจารณาดูบุคคลที่อยู่ในความอบอุ้มของพ่อแม่หรืออยู่ในความอบอุ้มของคนอื่นเป็นอย่างดีนั้นเขาก็ยังมีปัญหาที่ใครๆก็ไม่อาจจะช่วยเขาได้เช่นปัญหาในเรื่องความเป็นห่วงตัวเองซึ่งทําให้เกิดความทุกข์หรือความไม่สบายใจต่างๆแม้ว่าคนอื่นจะช่วยปลอบโยนหรือชี้ช่องทางให้สักเพียงไรก็แก้ไม่ตกเพราะว่าผู้ที่เป็นที่พึ่งแก่เราได้นั้น ท่านก็ยังมีปัญหาซึ่งท่านเองก็ยังแก้ไม่ตกแล้วเราเองก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือท่านได้เพราะฉะนั้นหลักใหญ่จึงขึ้นอยู่กับคําว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคนที่จะสามารถแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้อย่างดีนั้นต้องเป็นคนที่พึ่งตัวเองพยายามแก้ไขตัวเองจึงจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้คนที่มีคิดพึ่งตัวเองคอยหวังแต่จะให้คนอื่นช่วยเหลือนั้น จะไม่มีทางแก้ปัญหาต่างๆของตัวเองได้สำเร็จต้นไม้จะเกิดมาเป็นต้นอะไรความสำคัญอยู่ที่มเมล็ดของมันคนเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็สำคัญอยู่ที่วิบากของตัวเองวิบากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองปัญหาจึงมีอยู่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะสามารถปรับปรุงตัวเองให้มีความสมบูรณ์ จนกระทั่งไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เรามีความเดือดร้อนได้อีกต่อไปตัวยอย่างเช่นพ่อแม่หรือคนอื่นสมมติว่าจะช่วยสร้างฐานะให้กับเราจนกระทั่งทำให้เรามีความร่ำรวยจนตลอดชีวิตเราก็จะพบปัญหาอีกว่าต่อไปเราจะเกิดมาร่ำรวยเหมือนอย่างนี้อีกหรือไม่หรือในเมื่อเราเกิดความเจ็บป่วยแม้จะมีหมออย่างดีช่วยรักษาให้เราได้ ไม่ว่าเราจะป่วยเป็นโรคอะไรก็ช่วยให้โรคเราหายได้เสมอหรือแม้ว่าเราจะเป็นคนมีสุขภาพทางร่างกายดีไม่ค่อยเจ็บป่วยไปจนตลอดชีวิตก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นมาอีกว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาอีกเราจะเป็นคนมีโชคดีอย่างนี้อีกหรือไม่หรือในด้านสติปัญญาแม้ว่าในชาตินี้เราจะเป็นคนเกิดมามีสมองดีเรียนหนังสือเก่งมีความรู้ความเฉลียวฉลาดมากมาย ก็จะเกิดมีปัญหาในทนองเดียวกันอีกว่าเมื่อเราเกิดมาอีกเราจะเป็นคนฉลาดอย่างนี้อีกหรือไม่นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่ทุกคนแก้ไม่ตกไม่ว่าจะเป็นผู้วิเศษขนาดไหนก็ตามคือปัญหาในเรื่องความแก่ความเจ็บและความตายทุกคนจะต้องแก่เจ็บและตายทั้งสิ้นไม่มีใครปรารถนาความแก่ความเจ็บและความตาย แต่ก็ไม่ทราบว่าจะพ้นไปได้อย่างไรและยังมีปัญหาอื่นๆอีกมากมายซึ่งล้วนแต่เราแก้ไม่ตกแก้แล้วก็ต้องแก้กันอีกเหมือนกับการรับประทานอาหารพอกินอิ่มไม่นานเท่าไรก็หิวอีกและต้องกินอีกการแก้ปัญหาต่างๆก็เหมือนกับการแก้ปัญหาในเรื่องความหิวคือไม่มีวันสิ้นสุดต้องแก้กันแล้วแก้กันอีกพอแก้ปัญหาอันนี้ได้ ก็มีปัญหาอย่างอื่นมาให้แก้อีกชีวิตจึงอยู่ในความยุ่งยากอย่างนี้ตลอดไปตายแล้วเกิดมาอีกกี่ชาติก็เป็นอย่างนี้จนกระทั่งคนทั้งหลายคิดว่าเราไม่มีทางเอาชนะต้องยอมแพ้และไม่คิดที่จะต่อสู้ความเป็นจริงความทุกข์ต่างๆไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้ปัญหาที่นับว่ายากที่สุดคือความแก่ความเจ็บและความตายก็แก้ไขได้ พระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่รู้จักวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างชนิดที่เรียกว่าได้ผลตลอดกาลหรือได้ผลช่วงนิรันดร์ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ข้าพเจ้ากล้ายืนยันได้ว่าถ้าหากเรามีความเชื่อและมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วพระองค์สามารถที่จะช่วยให้เราพ้นจากความยากจนความวิบัติพลัดพรากความทุกข์ทรมานต่าง รวมทั้งความแก่ความเจ็บและความตายได้และที่ว่าช่วยนี้ก็เป็นการช่วยจริงๆไม่ใช่เป็นการปลอบโยนเพียงให้สบายใจชั่วคราวแต่เป็นการช่วยให้มีผลออกมาจริงๆตามที่เราต้องการแต่ ว, ว่าเรื่องนี้เข้าใจกันยากเพราะเราคิดกันไม่ถูกทางขอให้เราพิจารณาคาที่ข้าพเจ้าเคยพูดไวที่สุดคือคำว่า ชีวิตนี้เป็นผลที่เกิดมาจากวิบากถ้าเข้าใจคำพูดประโยคนี้ซึ้งเราก็จะมองเห็นถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลกอันหาประมาณมิได้ไม่อาจจะเปรียบเทียบกับบุญคุณของสิ่งใดๆหรือของใครได้เลยเป็นอันขาดแต่ถ้าหากคนไหนยังเข้าไม่ถึงสัจธรรมข้อนี้เขาก็คงจะรู้สึกอย่างที่คนทั่วไปรู้สึกกล่าวคือใครซึ่งเขาได้อาศัยพึ่งพาอยู่เสมอ และพึ่งพาอาศัยได้มากเขาก็จะรู้สึกว่าคนนั่นแหละเป็นที่พึ่งอันแท้จริงของเขาเขาจะมองไม่เห็นเลยว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้อย่างไรในเมื่อพระองค์เวลานี้ก็ไม่มีตัวตนปรากฏอยู่เราจะหันไปทางวัดพึ่งพาอาศัยพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็อาจจะพึ่งได้เฉพาะบางอย่างเหมือนกับเราได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่น แต่ที่จะให้รู้สึกว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันแท้จริงของเรานั้นไม่เคยเกิดในความรู้สึกเลยทั้งนี้ก็เพราะคนเหล่านี้ยังเข้าไม่ถึงสัจธรรมในข้อที่ว่าชีวิตนี้เป็นผลที่เกิดมาจากวิบากแต่ถ้าผู้ใดเข้าถึงสัจธรรมข้อนี้แล้วเขาก็จะมองเห็นได้โดยกระจ่างเหมือนกับคนตาดีมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเขาได้อย่างชัดเจนฉะนั้น ข้าพเจ้าจะไม่อธิบายว่าชีวิตเป็นผลที่เกิดมาจากวิบากมีความหมายอย่างไรเพราะข้อความประโยคนี้ได้พูดมาบ่อยครั้งที่สุดและเคยอธิบายมามากแล้วหมายเหตุผู้อ่านสำหรับเรื่องนี้ติดตามได้จากสิ่งอ่านหนังสือที่เป็นผลงานหนังสือของสำนักค้นคว้าทางวิญญาณที่ชุมรมผลดีจัดทำไว้แล้วหลายเรื่องนะครับในบทความนี้ข้าพเจ้าต้องการจะชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่สาคัญว่า ทำไมคนส่วนมากจึงไม่รู้สึกว่าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของโลกไม่มีที่พึ่งอันใดไม่ว่าในโลกไหนและไม่ว่าในเวลาใดที่จะประเสริฐเท่ากับพระรัตนตรัยที่เรามีอยู่นี้แต่อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่เข้าใจสัจธรรมข้อนี้เป็นอย่างดีแล้วเมื่อท่านพิจารณาดูตัวท่านเองโดยมองย้อนหลังไปถึงในสมัยที่ยังไม่เข้าใจสัจธรรมบทนี้และมองไปรอบรอ บ, บุคคลที่อยู่แวดล้อมท่าน เมื่อท่านอยู่ในฐานะที่สูงกว่าคนเหล่านั้นแล้วท่านก็จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับสัจธรรมข้อนี้เลยเพราะการแนะนำหรือการสั่งสอนในอันที่จะให้คนทั้งหลายเข้าถึงสัจธรรมข้อนี้ไม่ค่อยจะปรากฏในที่ทั่วไปคนส่วนมากที่เขาไม่รู้ก็เพราะเขาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่มีใครไปแนะนาชี้แจงให้เขาเข้าใจเพราะฉะนั้น จึงเป็นภาวะที่น่าสงสารสำหรับคนที่ยังอยู่ในความมืดอันที่จริงสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องศธรรมข้อนี้แล้วท่านก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยหรือเรื่องยากจนเกินไปอันที่จริงวิชาการอื่นๆที่ยากกว่านี้ก็ยังมีคนเรียนได้เข้าใจได้เพราะมีสถาบันที่ให้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีเช่นอย่างความรู้ในทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ถ้าหากเรามองย้อนหลังไปถึงสมัยอดีตสมัยที่คนเกือบจะทั้งโลกยังไม่ได้สนใจในวิชาวิทยาศาสตร์การสอนในเรื่องนี้ยังไม่แพร่หลายเราก็จะแลเห็นว่าบทเรียนทางวิทยาศาสตร์ที่เด็กเรียนกันอยู่ในโรงเรียนทั่วไปในเวลานี้นั้นล้วนแต่เป็นเรื่องยากสำหรับคนในสมัยโบราณไม่ต้องดูอื่นดูไกลเพียงแต่ปัญหาในเรื่องโลกลมโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เพียงแค่นี้คนในสมัยโบราณก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก และไม่ยอมจะเข้าใจกันได้ง่ายๆแต่มาถึงสมัยปัจจุบันเรื่องโลกลมกลายเป็นเรื่องรู้กันทั่วโลกแม้แต่เด็กๆตัวเล็กๆก็เข้าใจข้าพเจ้าคิดว่าปัญหาเรื่องชีวิตนี้เป็นผลที่เกิดมาจากวิบากเป็นเรื่องเข้าใจง่ายยิ่งกว่าเรื่องโลกลมเสียอีกเพราะว่าเรื่องโลกลมคนทั่วไปเชื่อตามตามกันมากกว่าน้อยคนนักที่จะได้พิสูจน์ด้วยตัวเขาเองว่า โลกนี้กลมแน่เพราะการพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องโล ก, กลมเป็นเรื่องยุ่งยากมากต้องใช้ทุนสูงใช้เวลามากข้อเท็จจริงสำหรับจะพิสูจน์มันอยู่ห่างไกลจากตัวเราส่วนปัญหาที่ว่าชีวิตนี้เป็นผลที่เกิดมาจากวิบากข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้มีอยู่ในตัวของเราเองทั้งสิน้นไม่ต้องไปสอแสวงหาจากที่อื่นถ้าหากว่าสถาบันการศึกษาดูทั่วไป จะได้นำเาเรื่องนี้ไปสอนให้เด็กนักเรียนและประชาชนได้เข้าใจกันอย่างกว้างขวางแล้วเรื่องนี้จะเข้าใจง่ายมากเพราะอิทธิพลของความเชื่อที่เอาอย่างกันนั้นโดยธรรมดามีมากยิ่งกว่าการเชื่อตามเหตุผลในเมื่อคนทั่วไปโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีการศึกษาดีคนที่อยู่ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์มีความเชื่อและความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างแท้จริงแล้วคนอื่น แม้จะไม่เข้าใจด้วยตัวของตัวเองแต่คนเหล่านั้นก็จะเชื่อได้อย่างสนิทเพราะเห็นคนอื่นเขาเชื่อกันอย่าลืมว่าการเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เป็นความจริงและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากมายนี้แม้ว่าคนเราจะไม่เข้าใจเหตุผลจริงๆก็ยังมีประโยชน์มากมายและมีหลักความจริงอีกอย่างหนึ่งว่าความเชื่อที่ถูกต้องนั้น แม้ครั้งแรกจะไม่เข้าใจแต่แล้วในที่สุดก็จะเข้าใจได้เองเพราะความเชื่อที่ถูกต้องก็เหมือนกับการเดินในเมื่อเราเลือกคนทางที่ถูกต้องแล้วและได้เริ่มลงมือเดินแล้วแม้ครั้งแรกจะไม่แน่ใจว่าเป็นทางที่ถูกแต่ในเมื่อเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางแล้วและได้พบสิ่งที่ต้องการแล้วเขาก็จะแน่ใจว่าทางที่เขาเลือกนั้นเป็นทางที่ถูกอย่างแน่นอน ความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับการเลือกเดินทางที่ถูกซึ่งในเมื่อเขาเชื่อไปเรื่อยๆและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆในที่สุดเขาก็จะเข้าใจเหตุผลต่างๆด้วยตัวเขาเองและก็แน่ใจอย่างที่สุดว่าความเชื่อของตัวเองถูกต้องดีแล้วชีวิตนี้เป็นผลที่เกิดมาจากวิบาก นี่คือกุญแจดอกสําคัญที่สุดที่จะช่วยขายให้เราเกิดความสว่างเห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยว่าประเสริฐจริงๆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามารถที่จะช่วยเหลือให้เราได้รับผลที่พึงปรารถนาได้ทุกอย่างช่วยแก้ปัญหาให้ได้ทุกอย่างท่านลองพิจารณาดูแต่โดยสังเขปก็ได้เช่นถ้าหากเราได้สร้างวิบากมาดีเป็นต้นว่าเราหัดให้เป็นคนมีความขยันอดทน รู้จักประมาณตัวมันประกอบหน้าที่การงานแต่ในทางสุจริตและมีน้ำใจเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวรักความยุติธรรมและมันขวนขวายสแสวงหาความรู้ต่างๆอยู่เสมอจะเรียนอะไรก็ตั้งใจที่จะเรียนให้เก่งจะทำอะไรก็พยายามทำให้ดีที่สุดประกอบทั้งมันฝึกฝนในทางสมาธิและวิปัสสนาด้วยสมมุติว่า เราเป็นคนสร้างวิบากมาในลักษณะเช่นนี้และสร้างมานานแล้วจนกระทั่งคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้กลายเป็นนิสัยสันดานประจำตัวเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านลองพิจารณาดูว่าเราจะได้ที่พึ่งที่แน่นอนพึ่งได้จริงๆพึ่งได้ตลอดการพึ่งได้ทุกทุกชาติจริงหรือไม่และลองไปเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้สร้างวิบากมาอย่างนี้แม้จะมีพ่อแม่ดี มีครูบาอาจารย์ดีมีคนคอยให้ความช่วยเหลืออย่างดีแต่เขาจะช่วยตัวเขาเองได้สักแค่ไหนจะแก้ปัญหาต่างๆได้จริงหรือไม่ท่านก็จะเห็นว่าสําหรับคนที่มีวิบากมาไม่ดีพ่อแม่หรือคนอื่นจะช่วยคนนั้นได้น้อยที่สุดคนประเภทนี้ยังจะอยู่ในความทุกข์อยู่ในความอาภัพต่อไปอีกนานมากปัญหาสาคัญมีอยู่ว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่าชีวิตนี้เป็นผลที่เกิดมาจากวิบากจนกระทั่งเราแน่ใจอย่างยิ่งที่สุดความจริงต้องเป็นอย่างนี้แน่จนกระทั่งไม่ว่าเราจะทำอะไรจะอยู่ในฐานะอย่างไรเราก็มุ่งแต่จะสร้างวิบากที่ดีอยู่เสมอเช่นนี้ถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงอุบัติเกิดขึ้นในโลกคนธรรมดาสามัญแม้จะเป็นนักปราณในสาขาไหนก็ตาม เขามีทางไหมที่จะรู้ความจริงข้อนี้และถ้าหากเขาไม่รู้เขามีทางที่จะพ้นทุกข์ได้จริงหรือไม่นี่เป็นแต่เพียงประเด็นบางแง่ที่ข้าพเจ้าชี้ให้ดูว่าเหตุไรพระรัตนตรัยจึงได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของโลก